ปฏิบัติด้วยความสนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขและบำรุงคุณธรรมภายในใจของตนเป็นลำดับลำดา นับแต่ขั้นศีลสมาธิเป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิขึ้นไปเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับเขา ส, สร้างจรวดหรือดาวเทียมที่จะขึ้นท้องอวกาศนั่นแหละ ต้องปรับปรุงให้ดีเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพ า, าหนะนั้นมีอยู่มากมายมดังวัตถุที่เขาท่องอวกาศเี่ยวอวกาศนั้นก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมทุทกสัตว์ทุกส่วนเกี่ยวกับ ยินฟ้าอากาศกว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องคำนึงคำนวณกะจนพอแม้เช่นนั้นก็นยังเกิดดุลพักษ์ได้เมื่อยานประหารไะละได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นดุลสักษ์แต่อย่างใด นี่เป็นข้อเทียบเคียงสำหรับอิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั้นแหละเป็นผู้ที่จะ้าวทยานออกจากมหาสมุทิมหานิยมสิ่งที่ เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีความยากความละเอียดต่างกันการปรับปรุงใจของเราที่จะแหวกว่าดไปจากความหยากละเอียดต่างๆของขั้นสมมติ มีกิเลสเป็นสำคัญก็จำต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมควรจะผ่านความอยากแห่งสมมติคือกิเลสไปได้ด้วยทำประเภทใดก็ให้ได้ผ่านผ่านไปโดยลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติมีการบำรุงส่งเสริม ความภาคเพียรกอนหนักแน่นความอุตสาห์พยายามทุกแน่ทุกทางมีความหนักแน่นด้วยกันสกิปปัญญาเป็นสำคัญที่จะนำจิตออกก้าวเดินและแวกสิ่งทั้งหลายที่กิตขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลาดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งหมวน ในภาคพิธภพนาล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรับปรุงจิตให้เหมาะสมแก่การเหาะทยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมให้พ้นถึงขั้นอวกาศแห่งนิพพานเป็นยังไงอวกาศแห่งธรรมอวกาศทางโลกนั้นเขาไม่สงสัยกันแล้ว ว่ามีหรือไม่มีศูนย์หรือไม่ศูนย์สิ่งที่อยู่ในสมมุตนินี้ก็ทราบกันว่ามีที่นอกจากขั้นอากาศอันนี้ไปก็จะเทียบก็วนอกเป็นสมมุติอีกขั้นเนี่ยเป็นอวกาศเป็นยังไงศูนย์ไหมแล้วต่างกันอย่างไรบ้างกับโลกที่อยู่กับอากาศนี้ กับนอกโลกอากาศนี้ไปแล้วเขาเรียกเาเรียกว่าอวากาศทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันจิตที่อยู่ในวงสมมุติอยู่ในความห้อมร้อมวควบคุมจิตใจก็เหมือนกับจิตเหมือนกับที่สิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ ย่อมดููกความดึงดูดอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ย่อมถือความดึงดูดจากกิเลสตลอดเวลาเช่นเดียวกัน <c oughs> ออกไม่ได้จึงต้องได้ปรับตรุมกําลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็ได้แสดงไว้แล้ว โดยย่อก็มีการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเป็นต้นปริยายหรือกับกิ่งก้านขาแขนงนั้นนับประมาณไม่พวนเต็มไปหมดในโลกสมมตินี้ด้วนแลแต่เป็นสิ่งที่จะให้จิตติดจิตพัวพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธในกิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆบุคุล ต, ต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นคฆาตสิทต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผิด ไอ้สำคัญมั่นหมายผิดผิดไปเจอเองโดยเหตุ น, นี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตตภาวนายิงเหมาะสมย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้อาจาสิ่งกดถ่วงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้ เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสด า, สดาแล้วซ้ายสักรโลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้านกี่พบกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ในสามเดือนโลกฐานนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืด บ, บอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลย นี่เราจงเห็นความอัศ จ, จรรย์ของพระพธิเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาภาสัตทั้งหลายแบวกว่าจากความดึงดูดความกดถ่วงกดขี่บังคับเหลานี้ออกไปได้โดยลำดับตำนานับตั้งแต่ระสาวกปฐมภาสาวกของแต่ละองค์จนกระทั่งหมดาศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้แล้วจากหัวใจของสัตว์โลก นั่นแหละเป็นวราระสุดท้ายในการรื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทาหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันนับแต่แต่วันให้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในท้ำกลางมหาสมุทรขน ทัพทิศตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นใส่เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ทาก็เหมือนกับผู้ตะเกียกบตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรนั่นแหละ ถลาขนขึ้นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความเชื่อถือของสัตว์โลกต่อาศาสนาธรรมเมื่อไหร่แล้วเรือนั่นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปพวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้แหละที่นี่จพวกเหล่านี้เป็นจาพวกอาหารของปลาและเต่าทั้งนั้นประเภทติบขึ้นสู่ลาเรือแล้ว นั้นเป็นผู้พ้นไปได้โดยลำ ด, ด, ดับลำนาดังท่านกล่าวไว้ในบุคคลสีจ่จำพวกนั่นเองตั้งแต่จำพวกปุคติตันยูวิปปิกิตันยูเนยยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือส่วนจะไปได้วยสูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึ่งคาว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางๆเนี่ยทรงลึก ผลสัตว์นับตั้งแต่วันตัดสัุแล้วจนกระทั่งาศาสนาธรรมหมดความหมายในความรู้สึกของสัตว์โลกนั่นแหละจึง เ, เป็นวาระสุดท้ายนอกจากนั้นก็นเป็นคนไข้ประเภทหายาหาหมอไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาคอยแต่วันตายเท่านั้นที่เราทั้งหลาย ก็กาลังตะเกียบตะกายแวกไหว้เข้าหาเรือลำใหญ่ของประภุติปรตตากด้วยการประพฤติปฏิบัติต่อกบความภาคเปลี่ยนเพราะอย่างยิ่งยิ่งได้มาบวชในประพุทธศ า, าสนาได้เห็นแง่หนักเบาของศาสนาธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไว้ก็ยิ่งจะให้เกิดความซึ้งภายในจิตใจปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่ พระองค์จัดไว้แล้วโดยช่อบทั้งบกักทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ทุมะโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดําเนินตามหลักธรรมของพระพธธุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตตะภาณา j o n พยายามสร้างกําลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่งดึงดูดทั้งหลาย สิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยยาชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเรานั่นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรจริงดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดช่วมงคลแต่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอัปมงคลแก่เราโดยลําดับกัมดาตามแต่ความเชื่อ ความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล้มละลายไปตามความไปความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล้มละลายไปตามมันดังไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งๆที่ศาสนาธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉูดล่ากแต่จิตใจ ไปทางต่ำเสียมากกว่าศาสนาธรรมก็จำเป็นต้องได้ถูกลอยแพรไปตามนั้นนี่เราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทลอยแพรเป็นประเภทที่จะแวกว่ายุวงเองให้หลุดพน้นเต็มสติกาลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถึก การประกอบความึิภาพเปลี่ยนว่าเป็นความเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจนาและอาใจว่าเป็นสิ่งที่ทํายากแก้ยากตะเกียกตะกายลําบากลําบนการตะเกียกตะกายการอุตสาหพยายามนี้เป็นวิธีทางหรืเป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ําอันเป็น แรงแห่งโลกกัตณาโลกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับจิงตต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธการท่านเอาจิงเอาจังคำว่าพุทธังสนังกระฉามนี่ก็ดีสังคังสนังกระฉามนี่ก็ดีให้พึงละลึกน้อมธรรมจากองค์ท่าน มาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดําเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเราเพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะบอกพฤทปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดําเนินไปแล้ว <c oughs> คำว่าสังพุทธังสัานาาานัตฉามีเราก็ทราบแล้วว่ามีความลาบากลาบนขนาดไหน นี่เอามากระทับไว้ที่ใจของเรานี่ละศาสดาของเราเป็นพระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเสด็กออกทรงพระหนวดจนกระทั่งวันจรัศรูเหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาววาดเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากในความเป็นกษัตริย์ เวลาเสด็จออกทรงประหนดเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปัจจัยสี่นอกจากนั้นวิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทไทยอันเกี่ยวโวงไปถึงสมบัติพระสถานไฟฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินนี้จำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จัดสลัดปัดออกจากสิ่งท้าหลายเหล่านี้ อยู่ตลอดเวลาหาความพาสุ่สบายไม่ได้เนี่ยเราไม่มีบริษัทบริวารไม่มีไพฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุระเจ้าเป็นใ น, นไห น, ไหนและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอนสแสดงทรงสแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วทุกแง่ทุกมุมในการดาเนิน ไม่ได้ลําบากลําบุเหมือนพระองค์ที่ทรงควงขวายโดยลําพังพระองค์เองไม่มีใครบอกใครสอนนี่ผิดกันอยู่มากพวกเราทราบว่ามีความเบาบางในการประกอบความภาคภีร์อาหารปัจจัยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเต็มไปหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหลายที่เข ม, มีความเชื่อความมั่นใจต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมี ความชืนใจเรื่องสายต่อท่านพูดตะเวศปฏิบัติดีเป็นประจำนิสยัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจีนไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจใจสี่มีผิดกันกันกบพระพุทธเจ้าอยู่มากนี้บรรดาสาวกที่ดําเนินตามรอยพระบาทคําพระพุทธเจ้ารองลําดับจากพระพุทธเจ้าลงมาในเรื่องความสะดวก บรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาปัจจัยสี่เพราะเขาเกิดทวาเชื่อความใ ส, สัยแล้วแม้เช่นั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัยทั้ง4ี่ยิ่งกว่าความยินดีในอาจทำความ ด, ดีในการในการประกอบความภาพเพ่อนเพื่อความหลุดพ้นจากทุกโดยแต่เดียวเท่านั้นนี้เป็นสิ่งที่ท่านยินดีมากชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวล น, นี้ได้มอบ เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งไปเป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์ละองค์ด้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบนมาด้วยกันตั้งนั้นเพราะทาเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐใครเจอแล้วใครเห็นแล้ว ต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลอเพราะอำนาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทำให้บุคคลนับความผาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลยกิเลสมันรู้มันรู้ว่าทำนี้เลิศยิ่งกว่ามันเป็นไหนไหน เพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกำบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังเท่านั้นแสดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้น นั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุ น, นี้ผู้ประกอบความภาพเยี่ยงจึงมักจะเองไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานไม่ว่าจะอยู่ในอียาบทใดจะเองจะเอียงไปเข้าความดึงดูดของมันอยู่นั่นแหละดึงดูดเข้าสู่ความขี้เกียจขี้คร้านดึงดูดเข้าสู่ความท้อถอยอ่อนแอดึงดูดเข้าในความ วาสติปัญญาน้อยไม่สมควรแก่าศาสนธรรมดึงดูดข้อหนึ่ความเป็นผู้มีอมานาจาสนาน้ยไม่สมอัดสมธรรมไม่คู่ควรแก่มรรคผลนิพพานหรือไม่คู่ควรแก่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนอุบายเครื่องดึงดูดของเกเรที่จะให้พลากให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งหั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่า กิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำหนับตลาดานเมื่อไรนั่นแหละปิดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงประไถเพราะฉะนั้นเวลาประกาศทำสอนโลกจึงเต็มไปด้วยพระเมตตา ใ ห, ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกันตาที่เต็มไปด้วยมหันตทุกนั่นจริงๆรและทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่สะเทือนอยู่ภายในจิตใจของพระองค์นั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างพระองค์จริงๆด้วยเหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีพระเมตตาเป็นพื้นฐาน ไม่สักแต่ว่าประกาศรมสอนโลกแบบเปล่าๆไปเป็นกิริยาหรือเป็นขนรรมทำยมเป็นประเพณีอย่างนั้นไม่มีในพระพุท ธ, ธเจ้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อสัตว์โลกจริงๆงานหน้าที่ของพระพุท ธ, ธเจ้าดังที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าพุทธกิจห้านั่นนั่นหละพระองค์ไม่ทรงปล่อยวางเลย นอกจากเป็นบางข้อที่จะลดด่วนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันกไ็ไม่ได้ลดละทางพระเมตตาทรงผ่อนผันไปตามการตามเวลาเช่นเวาพระองค์ประทับอยู่ที่ปะ่าเลยไหลทรงจำมรรษาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีพิกษุสงทั้งหลาย เข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะจรงทาหน้าที่ได้พระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่หละเรื่องความเห็นประจักษ์พระไทยทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่ง ของจริงที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรงสัมผัสรับรู้ไว้หมดทุกอย่างยิงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกแยกออกเป็นแขนงแขนทั้งฝ่ายโทษแยกแยกเป็นแขนงแขนทั้งฝ่ายธรรมซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสารโลกพูด ที่จำเจยอยู่ด้วยความทุกข์ความทรามานมาตั้งแต่กับในกาลไหนการใดซึ่งพอมีบัญสายสามารถที่จะรับทราบธรรมความประเสรศเิฐเลิศเลยจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจเฉยเมื่อได้ฟังาศาสนาธรรมที่ประกาศจังววลอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นจากโลกต้องตื่น ต้องยอมรับความจริงควาว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือคือทุกจริงจริงฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกเผาโดนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมารกก็สร้างความสุขให้แก่สัตว์โลกจริงๆแล้วฟังอย่างถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกาลังใจที่ได้รับความเชื่อความเห็นประจักษ์ทั้งฝ่ายโทษ ทั้งฝ่ายคุณรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวทําไมจะไม่แสดงพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วประกาศตนออกเป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความไฝ่อกฝ่ายใจทุกเอียาบุที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออาดข้อทํานี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามีจากพระโอษคของภูมิเอง ซึ่งเป็นศ า, ศาสดางองค์เอกยังเกิดความเชื่อความนับถืบบางท่านได้รู้อัดธรทมเห็นอัดเห็นทำพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับตำดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อประภาของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังที่เราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำลับตำลาว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์อยู่นั้น บรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรลุธรรมถึงที่สุดวิมุติพนิพพานจำนวนไม่น้อย <c oughs> นี่แหละของจริงต่อของจริงเข้าประสบการณ์ย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลย <c oughs> ผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริจรงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักทมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆ จึงเกิดผลประจักษ์ในขณนะนั้นอันนี้ธรรมที่กล่าวในครั้งพุท ธ, ธากาลั้งโทษทั้งคุณที่ท่านแสดงในครั้งพุท ธ, ธากาลและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุท ธ, ธากาลกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับมัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกันดั้งเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจธรรมอันเดียวกัน ไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้เลยทั้งครั้งพุทธการและครั้งนี้เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคษั์แนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิ ม, มีปัญญาเพื่อจะให้รู้ถึงเรื่องทุกขษั์อย่างกินใจและรื้อถอนสมุทัยศทยศ อันเป็นเสี้ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันนี่ทุกข์กษัตริย์ก็มีอยู่ในกายในใจของเราแล้วเวลานี้สมุทัยศาสตร์ประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งอยู่ทุกอิทธิาบาทในหัวใจของเราที่ออกแสดงได้บ้าง ไม่ได้บ้างหรือออกแสดงไม่ได้ก็คือมรคทั้งทั้งที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้มรคคืออะไรก็คือสติคือปัญญาสัมมาทิฏิสัมมาสังกปูได้แก็บองปัญญาสัมมาสติน่ะ ถ, ถ้ามีทำทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้ว สัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบทำสัมมากัมมันตะงานงานชอบของผู้จะลือถอนตนออกจากทุกข์คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิพจร์นาจิ่เกี่ยวข้องกับตนทั้งดี ชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาหรือโ ด, ย, ดยสม่ำเสมอนี่เชื่อผู้สร้างมักขึ้นมาภายในใจการนำมักออกแสดงต่อสู้ฆ่าศึกคือสมุนไทยข่าศึกมาแสดงออกมาในแง่ใดเช่นแง่รักรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไร นี่สติปัญญาจอเข้าไปคี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไรคี่คลายดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่ที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญ ปัญญาถ้าปิดปัญญาช้าล้างความจอมปลอมในความที่ว่ารักมันออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้นในวัตถุนั้นนี่คือปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจช้าล้างสิ่งจอมปลอมความสกป๋บปที่กิเลมันเที่ยวฉาบทาไว้หมดอืมันฉาบทาไว้ทั้งทั้งภายนอกทั้งภายใน ภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามนึกเครื่องสัมผัสต่างๆภ า, ายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญ้ญยาออกจากตาอืมเยาวาฉาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดัา ๆ, ๆ, ๆมีแต่เครื่องฉาบทาของกิดิตทั้งหมดเวลาเจอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดี สัญญาความสาคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนีฉาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนัน้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้แล้ภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาไว้ แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นจริงแล้วนั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทําไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัวอื่นอันเป็นตัวเหตุสําขัญนี้หรอต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีอาการพิจรารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังทิวัตสัมมากัมมันตะ สัมมาอาจารย์เราก็กล่าวตามหลักสันเลขาธรรมสิบประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบจงสาการการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสปัญหาข้องมาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความฟุ้งเฟอ้เอเฮือมไปตามสิ่ง น, นั้นเข้ามาเพิ่มเติมเข้าอีกท่านเรียกว่าสันเลคาธรรมพูดอะไร ล, ลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกําลังใจ ในอันที่จะประกอบความภาคเพียรให้เกิดศรัทธาความเชื่อคอนสายในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชำระล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยินฉันเลยก็ททำจากกันและกันนัสมาว่าจากสมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมอย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจ มันจะเป็นยาพิษเผารณนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนไหนพยายามรักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาดีโอชารตแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามท่านแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจิตรพิจิรณาคี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่ง ผิดไปสำคัญมั่นหมายหเห็นแ้แจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดาษนี่เดียวว่าเลี้ยงคีดชอบรักษาใจชอบนำอาหารคือทมรมารดเข้าถิ่ใจอย่างชอบทำไม่นํางคิเหล็กตัญหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาลวนจิตใจย่นเข้ามาอย่างนี้นักปฏิบัติสัมมาวายามะก็เพียงชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้ว เพียรละสิไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ครอบนำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ละลึกในสิ่งใดละ่ะก็ละลึกในสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเช่นละลึกในสติปฐานสี่ พิจาณากายก็มีสติพิจาณาเวทนาก็มีสติพิจาณาจิตก็มีสติธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับใจเกิดขึ้นกับใจเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดทั้งอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกเวลาก็พิจาณาด้วยสตินี่สติก็พิจนาอยู่เช่นนี้ถ้าจะพิจณาให้จิตเป็นในทางสมถะธรรมก็กำกับกับคำบริกรรมของตนเขาเรียกว่าสัมมาสติ อย่างนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบทำขึ้นมาภายในใจนี่คือการสร้างอาจสร้างธรรมสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ติดตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปได้วยความสะดวกโดยลำหนักลำดาไม่ติดตันอั้นตู้อยู่กับความบีบบังคับ ของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยศาสนธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อ ม, มาตั้งกับตั้งกันนําไปทั่วนี้ให้แตกกระจายออกไปหรือเพิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินข้อศียดีใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไป จิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิพิจารณาสิ่งที่จิตขวางจิตใจจิตใจย่อมกล้าได้ด้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความฉลาดแหลมคมมากเท่าไหร่เพราะยิ่งเบิกทางให้ฟ้างขวางต่อตนเองได้มากเท่านั้นไายด้วยความราบรื่นไปได้วยความสะดวกสบายไายด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ หลงไม่หลอกตอนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตอนเองภาด้วยความราบลื่นสิ่งใดที่กิดที่ขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาที่ลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้กล้าไปโดยลาดับจำดานดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกาย กายนอกก็ตามกายในก็ตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นมากด้วยกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในพิจารณาขี่คายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าเสียดายงานใด ย, ยิ่งกว่างานพิจารณาในเวลานั้นพิจารณาเพื่อรู้พิจารณาเพื่อเห็นจริงๆตามความจริงที่มีอยู่ ให้เพิกถอนสิ่งจองปลอมที่สำคัญมั่นหมายว่าสวยว่างงามว่าน่ารักใคร่ชอบใจเหล่านั้นออกด้วยปัญญาอย่างถึ่ความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของสวยของงาม น, นอกจากว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัด ต, ตัวบุคคลไม่เลือกหน้าเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี้ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุอุปโง ทั้งภายนอกตั้งแต่ผีหนังเข้าไปถึงภายในที่นน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกรปรกโสมมทั้งหลายมันเห็นชัดเจนด้วย ป, ปัญญาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักให้ชอบใจมีแต่กิเลส จ, จอมโกหกทางนั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เมื่อนาะพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจอมปลอความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งาม มี่ในของปฏิกูลเอ้าแตกสลายลงไปนี่มันเป็นอะไรเมื่อสลายลงไปนี้ส่วนดินก็เป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของคนเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วแต่อยู่ในร่างของคนของฉันแต่ออกไปแล้วมันจะเป็นอินเป็นพรมเป็นสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละนี่คือปัญญาพิจารยามแยกแยะมันเห็นชัดเจนนี่คือความเบิก เป็นที่กิดวางลวงตาเราด้วยปัญญาความเห็นแจ้งชัดเจนชัดเจนไปโดยลำดับเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยหายสงสัยปล่อยวางกันเป็นลำดับจำาดะแลับปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อ พิจารณาจิงหยับยาบรู้แล้วมันจะไปไหนอกิจพิจารณาส่วนหยาบรู้แล้วก็คือว่าได้ปราบกิเลสประเภทหยาบที่มาฝังฝากหนาไว้ในวัตถุต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันจะไปไหนอีกกิเลสมันจะพาหอเหินเดินฟ้าไปไหนนอกจากมันจะโหดตัวเข้าไปเมื่อถูกตีต้อนเข้าไปฟาดฟันเข้าไปด้วยสติปัญญา <c oughs> นี่คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการหนึ่งหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นพื้นให้เกิดอยู่แล้วมันก็้างถือว่าเป็นเจ้าของสัญญานามาใช้ให้เป็นกิเลสสังขาตรตุงขึ้นมาให้เป็นกิเลสวิญญาณรับทราบมาก็เป็นกิเลส เวทนาเกิดขึ้นมามากน้อยให้เป็นกิเลสทั้งมวลเรื่องของกิเลสจะให้เป็นธรรมไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสวันยังธรรนี่มันสร้างตัวขึ้นมาตามแขนงต่างๆอย่างนี้เอาพิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทา ง, ทงร่างกายและจิตใจเวทนา ม, นมันไม่ได้เป็นกิเลสตามแับธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสําคัญว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุข หลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสความหลงความสําคัญนั่นแหละเป็นกิเลสพิจารณาเข้าไปจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสนี่เวตนาต่างๆนี่ไม่ไ้เป็นกิเลสกิเลส ต, ตัวไหนกิเลสตัวสําคัญรู้ตัวสําคัญแล้วตัวสําคัญก็ถอยเข้าไปเวตนาซึ่งจะมีอยู่บ้างในะทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมัน เขาเบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลําดับตำดาไม่หลงอย่างเงือนไม่ปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณาในนะเวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนอยากเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชาติเถี่ยอันนี้มันปลดวางได้มันเข้าใจได้เนี่ยส่วนเวทนาที่อยู่ภาณในจิตส่วนมากมักจะเป็นสุขอย่างละเอียดมันอันนั้นมันก็เหมือนกับปลาที่ อยู่ในคองนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้ที่ให้มันโดดลงไปหาน้ำบึงน้ำบอ่อทำนกใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้างความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความสำคัญอย่างนั้นสาคัญอย่างนีนะ้เป็นเรื่องของจิเลสเอาสัญญาไปใช้ วิญญาณรับภราบว่าเป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นมันก็เข้าใจเข้าใจจริงเหล่านี้ก็เพียงแต่รับภาบาพเพียงแต่จําเฉยเฉยไม่ได้จําให้เป็นกิเลสทีเดียวจะก็ถอนตัวเข้าไปถอนตัวเข้าไปสุดท้ายเรื่องอาการทั้งห้าคือรูปปะขันได้แก่ร่างกายของเราเวทนาขันซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนจิตใจยกไว้ก่อน สัญญาขันสังขารขันมันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจไม่เป็นที่สงสัยแล้วนี่รหละมันก็รวมตัวเข้ามาเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพลานออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายยิ่งต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น การพิจารณาของนักปฏิบัติเมื่อปัญญาถึงขั้นในภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยลำดับลาดาทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกําลังของปัญญามีมีมากกิเลสก็อ่อนกําลังลงไปตัติปัญญาก็เกิดความแก้วกล้าเกิดปุูกเกิดความกล้าหาญชาญนใยไม่สะทกสะทานความว่าขี้เกียจขี้ค้านอันเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมด มีแต่ขยับตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องของมากมีกําลังเนี่ยกับพุ่งเข้าสู่จุดมหาสมมุติมหานิยมที่พาให้สัตว์จมแหลกยูในวัตะวนนี้หาที่ออกไม่ได้ไม่รู้ที่ออกไม่รู้ที่เกิดไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยตายที่ไหนบ้างเคยหาบเคยหามทุกมาอย่างไรบ้างพังลงไปในจุดนั้นแตกกระจาย ไป แ, แล้วทําไมจะไม่รู้ะอะไรพาให้เกิดขึ้นก็มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดพาให้ตาพาใรับความทุกข์ความลาําบัดมากทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นถึงที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ครับรู้ได้ครับนิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้ว ฝ้าดินถล่มเป็นไรวะือยังไม่แตะเทือนสามโลกธาตุนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวในสามแดนโลกธาตุนี้เมื่อได้พังสลายกันงพ า, นายในจิตใจนี้แล้วอ้าวที่นี่เป็นยังไงกิดดวงนี้อ า, ากาศของธรรมกับอ า, ากาศของโลกผิดกันอย่างไรมี่รู้ได้ชัดอ า, ากาศอันนี้ศูนย์ไปหมาย อวกาศของโลกไม่ได้ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่เรียกว่าอาวกาศเป็นธรรมชาติมีอยู่าการหลักธรรมชาติของอวกาศนั้นอวกาศของจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายคือมหาสมุดมหานิยมนี้เป็นอย่างไรไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อรู้เขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเห็นเห็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเป็นเป็นเข้าแล้วไม่สงสัยไม่ต้องหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วๆไป มีสันติจิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอาจิตอวกาศนั้นนี่แหละในพูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตเพืย่อนิพพานนักจิตเป็นเช่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าสูนย์แล้วใครมาทรงแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วบ หมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดชัตตัดออกหมดขึืนอชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่อวัยวของจิตต้นรั้วคือจิตที่บริสุทธินั่นแหละเรียกว่าอาวัยวะก็ได้เรียกว่าอะไรก็ ได้เพราะโลกมีสมมุติก็ต้องแยกออกมาช้าตามสมมติของโลกมเมื่อถึงจิตได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่จิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำตามทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทุกข์และหมหันตัดทุกข์มาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำานึงไปคร่ควรว่ามีกี่พบกี่่าก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้น เป็นตัวสักขีพยานเลยเคราว น, นี้ได้พ้นแล้วอความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจักษ์และและโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทําลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจจิยาสร้างข้าราเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชาจตเววะเสสสมิระมิราการิโรธาสร้รารรงข้าราในอยู่ถูกเท่านั้นนั่นวอวัตต์ของผิด อ, อันนี้ผิด ท, ที่พ้นจาก สิงดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตยอยู่ครองธาตุครองขันอยู่ก็ตามความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมาจีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทําให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทําให้กลุ้มให้กล้าไม่มีอะไรมาทําให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนดูดโดยลําพังเป็นอิสระของตนเท่านั้นเพระเนาะฉะนั้นการรู้การเห็น ความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิต ด, ดวงที่ไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหาว่าพูดหึงหนึ่งขันหน่งขันสามารถพูดได้ทุกอย่างไม่อัดไม่อ่านเพราะไม่มีอะไรมากีดมากขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจริงที่เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงปูปา่า ไม่ได้รู้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มความกิงของมันที่มีนั้นนั้นนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูๆูปลาปลาถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูๆูป ล, า, ปลาไปด้วยนี่เมื่อได้สนัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระเวิงว้างไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบงังหมวใแล้ว รู้ก็รู้จริงเห<ม>็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริงะจะว่าอาหารพ์หรือไม่อาถรรก็ตามก็พูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้นแหล ะ, ะทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนามาสั่งสอนโลก กว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะว่ามีอะไรปิดบงังลี้ลับทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกกวีฑูรู้แจ้งโลกด้วยความเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบางังมาหุ้มมาห่อเลยอาโลโกดปาดิสว่างโลกอยู่ทั้งกลางบันกลางฝืนกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้สามกทั้งหลายทั้งรู้กัอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัย วิสัยของพระพุเจ้ากับสาวกับวิสัยนั้นต่างกาันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องความรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมดมิพูดถึงทั้งโทษทั้งคุณของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้งธรรมทั้งกิเลสท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นําปิพิจารณา เอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตทั้งเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมุนี้ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีกริงมีกี่โพจะไม่ถามความจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่แหละเป็น ธรรมชาติที่กระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายตลอดที่ว่าธรรมมีอยู่จะไม่มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้เป็นธรรมชาติที่บรรจุไว้หมดแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ที่วัดเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีที่สงสัยแล้วนี่แหละสถานที่ท่าพูดสถานที่ที่หายสงสัยอืม หมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงแต่ขันมันเป็นสมมติของโลกเท่านั้นดังภาษาพวกทั้งหลายที่ท่านยังมีจิตอยู่ส่วนจิตนั้นได้พ้นแล้วพ้นอย่างนั้นเองดังที่กล่าวนี้ถึงจะคุกค้คากันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองทิ้งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองต่างอันต่างจริงไม่มาคุกค้ากัน ไม่มาประสัพประสานไม่มากระทบกระเทือนกันนันว่าพ้นโลกมันพ้นอย่างนั้นแล้วทมที่กลา่าวมาทั้งมวล น, นี้มีในครั้งใดมันมีในครั้งไหนมีอยู่ทุกครั้งเป็นอาการดีโกขอให้ยังลงสัธจธรรมทั้งสี่นี้เถิดจะถูก จุดที่ทำงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วจะถูกผลงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยที่ทำงานก็คือท่าจะทำทั้งสีนี่แหละเป็นที่ทำงานและผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้แก่มรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่ เนี่ยเราก็บรรจุไว้แล้วอย่างสมบูรณ์มีครบถ้วนแล้วไม่เป็นที่สงสัยยิงไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความสงสัยในครั้งพุทธการกับครั้งนี้ว่าธรรมของพระเจ้านั้นต่างกันเพราะกิเลสต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันธรรมก็ประเภทเดียวกันแก้วิธีเดียวกันยอมจะหลุดพ้นด้วยวิธีเดียวกันนี่เองไม่มีวิธีอื่นที่จะให้หลุดพ้นไม่ว่าการใดสมัยไหนใดมีวิธีเดียวนี้เท่านั้น คือดำเนินตามทางมากมีศีลสมาธิปัญญา เ, เเกก า, า, า, าเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทัยได้แก่กาวตาณนาพ่อศาสนาลูกอาสาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากใจนิโรธความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นอวกาศเป็น อ, ว ก, นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยาถึางว่าเป็น เป็นสถานที่ทํางานผลที่ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอีกอย่างหนึง่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าธูรูว้วัตถุดับผรวสตถุมุทัยดับคืออะไรนะมารได้ทาหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดนี่โรดแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุติ นี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการฟังทำในขณะที่เราใช้การเราทํากําลังทํางานเครื่องมือทํางานจะปล่อยวางไม่ได้เช่นเราทําด้วยขวา น, วานก็ขวานก็ต้องติดมือทําด้วยมีดมีดต้องติดมือทําด้วยซิลซีลต้องติดมือแต่โมรางานนี้เสร็จแล้วซีวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองปล่อยเอง เห็นสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามากๆต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทำงานป ร, รารกิเลสให้เรียบพูดลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนะน่ะดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอานิจจังทุกขังหน้าตานี่ทางเดินนปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอนิจจังตามหลักของทุกขงังตามหลังของหน้าตาด้วยสติปัญญานะ พอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความกิงลงตามความกิงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอนิจจังไม่ว่าอะไรเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างอันต่างริงได้ไม่ทะเลาะอันเรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจึงต้องแยกแยะเพราะการเทศน์นี่เทศนหลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแจงแจ้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นเอง สรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดถ้ามันหมุนเป็นธรรมจักรไปดังที่ท่านเคยท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญาพอเริ่ม ปฏิบัติก็จะให้เป็นมหาสติมหาปัญญาเลยทีเดียวได้อยังไงแม้แต่เด็กเกิดขึ้นมาที่แรกมันไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับการบำรุงรักษาปนเปือกันไปจนหมดเท่าไหร่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ปัจจัยที่เครื่องเป็นเครื่องบำรุงรักษาเด็กแต่ละคนละคนมันถึงได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราท่านๆได้สติปัญญาก็จําต้องได้อาศัยการบำรุงรักษาเช่นเดียวกัน เมื่อบำรุงรักษาอยู่มาอยู่ไม่ถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญา แ, าษาษาาแั้วฟาดฟันหันแดดกิเลสจะเป็นประเทศแบก็ตามแหลกแตกกระจยหมดไม่มีอะไรเหลือได้เลยทรงความบรสุดธิบิ ม, มุตต์พนิพพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสันไม่สันก็ตามเถอะเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกยังมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้น จิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือพระจิตของพระพุทธเจ้าไม่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่ําที่ตรงไหนเลยสัพเพสตานวสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นนานจากนั้นกเวลาขฝงตู่เลื่อยไปสุเขีตะนังปริหารนตุนัน นั่นแหะทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแต่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากัดไม่เอียงเพราะพระจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกก็จะให้เกิดเอียงแล้วสิ่งที่เอียงน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีทำด้นล้วนทรงตัวได้ทำด้นล้วนแล้วไม่มีคําว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่าน เราไปปฏิบัติเอาจริงเอาจริงอันนี้หลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองไปยังไงใจที่กําลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับไปแล้วนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างหเห็นประจักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสารติฏโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหรืออยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละ ่ารแสดงความอเห็นสมควร